ที่หมู่บ้านหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีในสมัยก่อนนั้นนะคะก็ยังเป็นป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้ป่าเบญจพรรณนานาชนิด มีทั้งไม้สากไม้มาค่าไม้ตะเคียนทองประดูตะแบกกระบกแล้วก็ต้นไม้อื่นๆอีกมากมายค่ะขึ้นยืนต้นเขียวชฉอุ่มพุ่มสวัยทั่วไพรพรึกแล้วก็ของที่คู่กับป่าก็คือผลไม้ป่าต่างๆที่ออกดอกติดผลตามต้นตามฤดูการทำให้มีสิงสาราสัตว์หมูป่าไก่ป่าลิงข้างช้างเสืออีกเยอะแยะมากมายค่ะมาอยู่อาศัยเพราะว่าป่าก็เปรียบเสมือนบ้านและก็แหล่งอาหารของสัตว์ป่าทั้งหลายนะคะ แต่ว่ามาสมัยนี้ป่าไม้อันมีค่าอุดมสมบูรณ์เหมือนสมัยก่อนของพวกเราทั้งหลายก็ได้หมดไปกลายเป็นเรื่องสวนไร่นาถางป่าซะจนเตียนโล่งค่ะบรรดาสัตว์ป่าต่างๆก็อยู่ไม่ได้ก็พากันอพยพหลบหนีตายเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าลึกที่ปลอดภัยเขตอำเภอหนองใหญ่ในปัจจุบันถึงแม้ป่าไม้จะหมดไปแต่พื้นที่ลุ่มค่ะมีหนองน้าเป็นบึงขนาดใหญ่มองดูก็ไกลสุดสายตาทีเดียวบึงนี้มีชื่อว่าบึงหนองใหญ่ และภายใต้ผืนน้ํานั้นก็ยังมีตอไม้ขนาดใหญ่จมอยู่เป็นจํานวนมากเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นตอไม้ตะเคียนทองมะข่ามงนะคะเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนนั้นบริเวณนี้เนี่ยเป็นป่าดงดิบต่อมาชาวบ้านเข้ามาบุกรุกตัดไม้ทําลายป่าโดยมีพวกเท่าแก่พวกนายทุนหนุนหลังจนป่าไม้เนี่ยราบพนาศูนเพื่อนํามาทําไม้แปรรูปขายค่ะพื้นที่ดินก็เพาะปลูกพืชการเกษตร ที่ราบลุ่มก็กลายเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่กลายเป็นบึงที่เต็มไปด้วยตอไม้ที่จมอยู่ใต้น้ำเป็นที่อาศัยของบรรดาสัตว์น้ำเช่นกุ้งหอยปูปลาจำนวนมากโดยเฉพาะกุ้งฝอยกับหอยขมที่มีอยู่ในบึงอย่างชุกชุมยิ่งนักค่ะ แต่ว่าน้องใหญ่แห่งนี้ก็มีเหตุการณ์อาถรรพ์เกิดขึ้นบ่อยๆค่ะเป็นเหตุที่ให้คนที่มาหากินในบริเวณนี้ต้องตายเย็นมาแล้วหลายศพทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่โดยคนเฒ่าคนแก่ก็พยายามเตือนนักเตือนนาว่าถ้าพวกเองไปหากุ้งหอยปูปลาที่หนองใหญ่แล้วละก็บนบานสารกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเขาซะก่อนก่อนจะลงไปในบึงอย่าออกห่างจากฝั่งมากนักมันอันตรายทีนี้ก็เลยย้อนถามไปว่ามันมีอะไรอันตราย อะไรคือต้นเหตุให้ชาวบ้านหาปลาต้องตายก็พยายามถามผู้เฒ่าท่านก็อึกอักอะฮะไม่อยากบอกแต่ก็ถูกขยันขยออยู่พักใหญ่ก็เลยบอกมาบอกว่ามันมีพรายน้ำพรายน้ำ ก็คือสาเหตุของการทำให้เกิดการเสียชีวิตของประชาชนที่ไปหาปลาที่นี่นะคะจริงๆแล้วพายน้ำมันเกิดมาจากรากไม้ต่อต้นตะเคียนทองต่อใหญ่หลายคนโอบที่จมน้ำตายซากอยู่กลางบึงใหญ่มานานหลายสิบปีแล้ว คนตอตะเคียนนี่อาจจะมีพวกพูดผีวิญญาณหรือว่าลูกขะเทวดาหรือนางไม้ตะเคียนทองที่อาศัยสิงสู่อยู่นะคะที่สําคัญพายน้ําจะเกิดที่บริเวณรากของตอตะเคียนจะไปเร็วมากมันพุ่งไปในน้ําด้วยพลังมหาศาลหนีกันไม่ค่อยทันถ้าหากว่าใครที่ไปหาหอยหาปูปลาหรือไปเล่นน้ําไม่บอกกล่าวขอต่อเจ้าของบึงด้วยความเคารพก่อนแล้วแล้วก็เป็นต้องเจอดีค่ะเพราะว่าจะเจอความอาถรรพ์ บางทีนะคะวันพระเอ่ยคืนเดือนมืดข้างแรมเอ่ยก็จะเห็นลูกไฟดวงใหญ่เท่ากระด้งฟัดข้าวเนี่ยลอยขึ้นมาจากบริเวณกลางบึงหนองใหญ่พุ่งขึ้นสูงประมาณยอดไม้ลอยนิ่งอยู่สักพักใหญ่แล้วก็จมวูบลงไปที่ต่อไม้ที่ต่อตะเคียนทองที่จมอยู่ในน้าเนี่ยแหละนะคะการหาปูหาปลาของชาวบ้านที่กาลังทาอยู่ในตอนนั้นเนี่ยก็เพ่นกันแบบ แทบตั้งตัวไม่ทันพร้อมกับมีเสียงคล้ายคนหัวเราะเนะะีคะได้ยินไปไกลจนชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยไม่กล้าเลยแหละค่ะที่จะไปจับปลาจับกุ้งในเขตหนองใหญ่แห่งนี้ทีนี้เนี่ยผู้ที่เล่าเรื่องนี้กับเพื่อนน่ยรวม5้าคนซึ่งอยู่ในวัยเบญจเพศค่ะจิตใจก็คึกขนองห้าวหานไม่ค่อยเชื่อเรื่องพิสดารพันเลึกผีสางนางไม้ก็ไม่รอช้าละค่ะก็เหมือนมีใครห้ามก็เหมือนยิ่งห้ามยิ่งยุก็ไปลงขายดักปลากันที่หนองใหญ่ในคืนเดือนงายของวันหนึ่ง ไปกัน5คนเตรียมเล้ายาอาหารไปเรียบร้อยเอาไปกินแก้หนาวกันพอสมควรแล้วก็ปรึกษากันว่าเอ๊ะถ้าได้ปลาเยอะๆเนี่ยก็จะเอาไปขายตามหมู่บ้านหาไรายได้เข้ากระเป๋าดีกว่าก็เลยไปกับเพื่อนพอมาถึงบึงใหญ่ก็วางเครื่องสัมภาระลงแล้วก็จัดการเดินลงไปในบริเวณอันกว้างใหญ่ของบึงก็รู้สึกว่าสายน้านี่เย็นเยือกจนสะท้านเลยก็ออกไปไม่ไกลค่ะเพราะว่าไม่มีเรือพายเนี่ยก็ออกไปแถวแถว ใกล้ๆจะกลางน้ำหน่อยนึงเพราะว่าตรงนั้นมันจะท่วมเพียงแค่หน้าอกเท่านั้นนะคะไปกัน4คนคะ่ะที่นำตาข่ายเอาไปาปากหลักไม้ไผ่หลายๆอันแล้วก็ถังแกนลอนประมาณ20ลิตรนะคะเตรียมไว้ใส่ปลาอีก3าใบโดยตัดเป็นช่องด้านบนไว้เท้าแล้วก็ไว้ที่ฝ่ามือแล้วก็ให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเฝ้าอยู่บนตลิ่ง ะะเพื่อเฝ้าสัมภาระต่างๆทีนี้เนี่ยก็ลงไปในน้าําแล้วค่ะปากหลักลงในบึงจนแน่นก็ขึงตาข่ายขนาด18เซนติเมตรแล้วก็10ซนติเมตรยาวปากละร้อยเมตรพอวางข่ายดักเสร็จยังไม่ทันจะขึ้นฝั่งเลยคุณผู้ฟังปรากฏว่าปลาเนี่ยมันว่ายมาติดแล้วก็พันตาข่ายดิ้นกันตูมตามตูมตา ม, ตามจนน้ํากระจายดังผงผางก็เลยโหดร้องหวัวเราะชอบใจที่มีปลาเยอะนะคะทั้งปลาช่อนปลาดุกปลาชะโดตะเพียนปลาฉลาดปลาบู่ จนลืมแม้กระทั่งความหวั่นเกรงพร้อมคําเตือนของผู้เท่าสะสนิษใช้ถังแกนลอนเนี่ยตัดปากพอใส่ปลาได้แล้วก็เอาเชือกผูกลอยน้ําปลดปลาต่างๆลงไปในน้ําแล้วก็เอาไปลอยในน้ําเนี่ยทั้ง3ใบในขณะที่ผู้ที่เล่าเรื่องนี้กับเพื่อนๆปลดปลาลงถังกันอย่างเพลิดเพลินอยู่ท่ามกลางน้ําท่ามกลางแสงจันทร์ อสองสว่างจ้านวลจับท้องน้ำมองดูเป็นคลื่นระยิบระยับนะคะฉับพลันค่ะก็ได้ยินเสียงดังตู้มนะคะสู้ซ่ามาจากกลางบึงก็หันไปมองตามเสียงประหลาดนั้นปรากฏนะคะว่าเป็นเงาดำทมึนของต้นไม้ใหญ่ เอ็นไปเอ็นมาเสียงดังสู้ซาแล้วก็เคลื่อนเข้ามาหาพวกที่กําลังหาปลาอยู่เนี่ยสคนที่ลอยคออยู่ในท้องน้ําอย่างรวดเร็วสายตาของเจ้าของเรื่องนี้ก็เหลือบไปเห็นพายน้ํามันผุดขึ้นมาเป็นฟองขาวกว้างใหญ่หลายวาค่ะพุ่งสู้ซาเป็นทางยาวตรงมาหาคนที่จับปลาอย่างประสงค์ร้ายพร้อมกับเสียงคํารามนะคะดังลั่นบึง้งคนที่เล่าเรื่องนี้เนี่ย ตะโกนขึ้นสุดเสียงเลยบอกผีหลอกโว้ยหนีแล้วพายน้ำพุ่งมาแล้วพายน้ำพุ่งมาเป็นทางดังสู้สู้ซาๆพร้อมกับเงาดำของต้นไม้ใหญ่ ก็เลยรีบปลดถังปลาทิ้งกลางน้ําจ้ำอ้าวนี้เข้าฝั่งอย่างทุลักทุเลค่ะแขนขาอ่อนเกลี้ยแทบจะมาไม่ถึงฝั่งก็โชคดีได้เพื่อนบนฝั่งนี่มาช่วยดึงมือขึ้นมาบนตลิ่งได้อย่างวุดนวิตหันไปมองเพื่อนอีก3มคนที่หนีพลายน้ําตามหลังมาแต่ว่ามองไม่เห็นสักคนหนึ่งช่วยตะโกนเรียกพร้อมกับท่องนะโมสวดมนต์ดังลั่นให้พระคุ้มครองมองไปเห็นแต่เงาดำทะมึนของต้นตะเคียนทองสูงใหญ่ที่กลางบึงครวนคลางโววาอย่างสะใจพร้อมกับมองเห็นพลายน้ํา ผุดพร่างพายเสียงดังสู้ซาทั่วบริเวณที่เพื่อน3คนดักตาข่ายอยู่คงจะปลดปลาติดตาข่ายเพลินหรือไม่ก็คงชะตาถึงคาดนะคะจึงหนีไม่ทันถูกพายน้ำนางตะเคียนทองเล่นงานจนจมน้ำตายเป็นผีเฝ้าท้องน้ำทั้งสคนค่ะปลาต่างๆในถังแกนลอนทั้งหมดก็จมน้ำคืนสู่บึงหนองใหญ่ไปหมดคนที่เล่าเรื่อง กับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่บนฝั่งเนี่ยก็เลยตัดสินใจวิ่งหนีกลับมาบ้านด้วยจิตประวัติพรั่นพึงที่เห็นผีมาหลอกจกัจะเต็มลู ก, กตาทําให้เสียขวัญอย่างหนักจนผู้เท่าแล้วก็พ่อแม่ต้องให้เข้าวัดเพื่อไปบวชพระแก้บนแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้กับวิญ ญ, ญาณ น, นางพายตะเคียนทองที่เล่นงานเอานะคะแล้วก็เพื่อนๆนทั้ง3าคนที่จบชีวิตเส้นสังเวยนางพายตะเคียนด้วยความอวดดีขอบคุณคุณเพิ่มศากจังหวัดชนบุรีด้วยนะคะกับเรื่องเล่าเรื่องนี้ค่ะ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 พอคืนที่3มคุณก้อยบอกมาเต็มๆเลยค่ะ กำลังนอนหลับโดยนอนตะแคงข้างหันหน้ามาทางหลานก็ได้ยินเสียงหลานนอนหัวเราะเอิกอกเอ๊กอกั๊กเอิ๊กอั๊กเสียงกําไลข้อมือดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไปหมดพอรู้สึกตัวตื่นก็เลย ค, ยค่อยๆลืมตา ม, มาดูว่าเออเจ้าตัวเล็กนี่มันนอนเล่นกับใครถึงได้หัวเราะเสียงใสดังขนาดนี้แล้วพอมองเห็นเท่านั้นแหละค่ะหัวใจแทบวายคุณก้อยบอกยายแกผมงอกขาวเกล้าวมวยผมไว้ข้างหลังใส่เสื้อแขนยาวทรงกระบอกมีผ้าสบายผ้าบ่านุ่งจงกระเบน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 นับว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าใจมากค่ะวันเวลาผ่านพ้นไปได้เพียงอาทิตย์เดียวนะคะคุณศักเองก็ตั้งใจจะเดินทางกลับบ้านในอีกสองวันข้างหน้าก็เลยคิดอยากจะออกไปเที่ยวเตระในตัวเมืองสักครั้งหนึ่งวันนั้นช่วงหัวคำ่ำคุณศักได้ไปขอยืมรถมอเตอร์ไซค์ของลุง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 กำลังโน้มตัวลงเคาะรางรถไฟเสียงดังแปรงแปรงแปร ง, ปรงติดต่อกันก็เอกใจค่ะว่าเอ๊ดึกดื่นป่านนี้ใครน่ามาทำพี่เรนเคาะเล่นอยู่ได้ก็เลยพละจากตัวรถแล้วก็ค่อยๆก้าวเท้าเดินเข้าไปดูว่าร่างที่เห็นต่อหน้านันเนี่ยทาอะไรครั้นพอเดินไปถึงอย่างช้าช้านี่คะสายตาก็จ้องมองร่างนั้นอย่างไม่กระพริบค่ะ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 ตอนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่บวชเป็นพระใหม่ๆซึ่งตอนนั้นอายุครบ20ปีบริบูรณ์พอดีพ่อและก็แม่ของเขาเนี่ยได้พาไปบวชที่วัดใกล้ๆบ้าน เมื่อทําพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้ไปพักที่กุฏิหลังหนึ่งในวัดนะคะกุฏิหลังนี้มีสองชั้นโดยท่านจะเอาวาัดนี้จัดให้พักอยู่ที่ชั้นบนภายในห้องพักนี่ก็จะมีพระพุทธ ร, รูปอุ้มบาทอยู่1องค์น่าแปลกตรงที่ว่าภายในบาทก็ว่างเปล่าก็จริงแต่ว่ามีรูปยันสีแดงเขียนอยู่ที่ก้นบาทค่ะบาทใบนี้คงเอาไว้ใส่ดอกไม้ใส่ทูบเทียนเมื่อเขาคิดแบบนี้ในใจก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรต่อ ะะแต่ว่าในขณะที่กําลังเอื้อมมือไปแตะที่บาทค่ะท่านจเจ้าอาวาสก็พูดขึ้นบอกว่าห้ามแตะนะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้บอกเหตุผลของการห้ามในครั้งนี้ตัวของเขาเองก็นึกสงสัยอยู่เหมือนกันว่เอเพราะอะไรนะแต่ว่าก็ไม่ได้กล้าถามท่านน่ยนะคะก็ได้แต่ปล่อยเป็นปริศนาคาใจทีนี้พอตกตอนกลางคืนค่ะ ก็หลังจากที่นั่งสวดมนต์ได้พักใหญ่ก็ได้เข้าไปนอนแล้วก็ไปจําวัดเนี่ยนะคะในขณะที่กําลังหลับสนิทอยู่ๆก็ต้องสะดุ้งตกใจตื่นขึ้นมาเพราะมีความรู้สึกเหมือนมีคนเนี่ยเดินข้ามตัวเข้าไปแต่ว่าไม่ใช่แค่คนเดียวแต่ว่าเป็นคนจํานวนหลายคนมากบางคนข้ามตัวไม่พ้นก็ทําให้มีการเหยียบลงไปที่ลําตัวของเขาถึงจะไม่แรงแต่ก็มันทําให้เขาเนี่ยรู้สึกตัวตื่นขึ้นมานี่มันเกิดเหตุการณ์ประหลาดอะไรกับผม ทำให้ผมหายง่วงไปเลยเขาบอกนะคะตอนนั้นก็เป็นเวลาเกือบตีหนึ่งแล้วะค่ะก็อ่าบรรยากาศภายในวัดนี่เงียบสงบมากไม่มีเสียงหมาเห่าหรือว่าหมาหอบบ้างเลย โดยปกติแล้วเนะคะเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ซุกซนมากอยู่เหมือนกันพออยู่ว่างๆไม่มีอะไรทําก็เลยมองไปที่พระอุ้มบาทซึ่งอยู่ตรงหัวนอนตอนนั้นก็เลยนึกสนุกก็เลยหยิบเอาเหรียญ10บาทแล้วก็เหรียญ1นบาทเนี่ยใส่ลงไปในบาทเสียงเหรียญกระทบก้นบาทก็ดังขึ้นเออดูเพราะดีเหมือนกันก็เลยหาเหรียญเท่าที่จะหาได้ใส่เหรียญลงไปในบาทเพิ่มขึ้นอีก ในใจเขาก็คิดว่าเออไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าไม่ได้ไปแตะต้องบาทใบนั้นเพียงแค่เอาเหรียญมาหยอดเล่นก็เท่านั้นเองทําไปได้สักพักหนึ่งก็รู้สึกเบื่อก็เลยกลับมานอนต่อคราวนี้เนี่ยนอนไม่ค่อยหลับค่ะแต่ว่าได้พยายามหลับตาเอาไว้อยู่ๆค่ะเหรียญเนี่ยหล่นใส่หัวของเขาลักษณะเหมือนมีคนเอาเหรียญมาโยนใส่หัวเหรียญมันมาได้ยังไงเขาก็สงสัยนึกในใจก็เลยรีบลุกขึ้นดูที่บาทพระนะคะก็พบว่าเหรียญหายไปหนึ่งเหรียญ ขนลุกขึ้นมาทันทีหลักฐานที่หลงเหลือให้เห็นก็คือมีเหรียญสิบบาทตกอยู่ที่นอนของเขาก็เลยรีบไหว้ขอคขมาที่พระพุทธรูปอุ้มบาทพร้อมกับพูดว่าถ้าผมทำอะไรไม่สมควรหรือว่าล่วงเกินท่านไปก็ขอจงยกโทษให้ผมด้วยผมคิดว่าถ้าผมไปหยิบเอาเหรียญออกจากบาทอาจจะทำให้มือของผมเนี่ยพลาดไปโดนบาดได้เดี๋ยวจะไม่เป็นไปตามคาสั่งของเจ้าอาวาส สรุปว่าคืนนั้นเนี่ยเขานอนไม่หลับเพราะกลัวนะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นมาอีกพอรุ่งเช้าก็รีบไปหาท่านจะเอาวาดพร้อมกับเล่าเรื่องราวต่างๆให้ท่านฟังท่านก็ได้บอกกับคนที่เล่าเรื่องนี้บอกว่าให้เด็กวัดเนี่ยไปหาทัพพีมาตากเหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในบาทออกมาแล้วท่านก็บอกให้รับรู้บอกว่าในห้องพักเนี่ย มันเคยมีคนมาตายแล้วซึ่งเป็นเด็กวัดเข้าไปฆ่าตัวตายโดยกินยาฆ่าแมลงไม่นานนักก็มีพระชราหัวใจวายตายอีกหนึ่งรูปสองศพซ้อนเลยค่ะแต่ว่าเหตุผลที่นำเอาพระอุ้มบารเข้าไปไว้ในห้องก็คือเพื่อล้างอาถรรพ์ไม่ให้มีศพที่สาโดยจะต้องไม่แตะต้ององค์พระแล้วก็บาทโดยเขาบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเกิดมาเพราะว่าเขาซุกซนก็เลยทาให้ต้องพบกับเรื่องประหลาดเช่นนี้ หลังจากที่ท่านเล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็ได้รับรู้ท่านได้บอกว่าให้ลงมานอนที่ชั้นล่างดีกว่าแล้วก็ปิดตายห้องพักอาถรรพ์ข้างบนนั้นตลอดไป